ค่ะขอขอความรู้นิดนึงค่ะคืออย่างที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองรู้ถึงระดับนั้นแล้วแต่ว่าเราจะต้องคือระลึกได้ว่าโกรธระลึกได้ว่ามีลาคะระลึกได้ว่ามีอ่นั้นมีอนี้แล้วควรจะทําอะไรต่อวหาเวลาทําในรูปแบบบ้างไหมทําในรูปแบบบ้าง อนุแบบคือหาเวลาว่างสวดมนต์สวดไหมสวดบ้างไหมอ่าสวดสวดมนต์ตอนทาตอนสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการทำในรูปแบบแบบหนึ่งคือตอนสวดมนต์ก็จะสวดอยู่ก็ใจก็จะคิดไปแล้วเออดีเออดีมากเลยเออลำคานดูลำคานต่ออ่าลำคาญก็เป็นสภาวะหนึ่ง จะเรียกอีกแบบหนึง่งก็ว่ามีโทสะก็ได้แล้วเป็นความรังคาญก็ได้แล้วพอสวดไปก็ชักขี้เกียจแล้วบทนี้ไม่ค่อยอยากสวดขี้เกียจก็ดูขี้เกียจ <laughs> ไปแล้วก็สวดต่อ <laughs> ดูแค่ๆๆนี้ <laughs> ขี้เกียจนี่ก็เป็นสภ า, าวะหนึ่งดูแค่นี้ใช่ไหมคะดูแค่นี้ให้สวดให้จบอ่าขาดไปจบจบกี่นาทีเอ่อข้าสวดพระปริตก็มันประมาณสิบหน้าแต่ไม่เคยจับเวลาค่ะบางวันก็จะหาเรื่องขี้เกียจไม่ยอมสวด่ะ โอ้เนี่ยถ้าขี้เกียจแล้วไม่ยอมสวดนะก็เรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นตัวขี้เกียจคือไปทําตามความขี้เกียจเหมือนโทสะโกรธขึ้นมาแล้วชกเข้าไปเลยนะอไม่ได้เห็นโทสะจริงแล้วหน้าไอ้นั่นแล้วก็ชกไปอย่างเงี้นเลยอย่างเงี้ยอย่างงี่เร่ไม่เรียกว่าเห็นโทสะถ้าเห็นเนี่ยต้องไม่ผิดศีลเหมือนกันขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วเห็นถ้าเห็นขี้เกียจจริงนะ ต้องไม่ทําตามมันข<อ>ี้เกียจก็ขี้เกียจไปท่านก็จะสวดแล้วดูข<อ>ี้เกียจไปเรื่อยๆสวดไปสมมติว่าถึงพระปริตที่เจ็แล้วนะนะแล้วยังขี้เกียจอยู่ น, น ะ, ะก็สวดไปแล้วก็ดูขี้เกียจไปขี้เกียจเป็นเพียงสภาวะหนึ่ง<อ>เกิดมาเหมือนกับโกรธเหมือนกับราคะ<อ>ที่เกิดขึ้นมาให้เรารู้เฉยๆเท่านั้นเองเ<อ>ข้าใจไหมทีนี้ <S <S 2> <S 2> พอสวดมนต์ไปแล้ว เวลาอีกสักนิดหนึ่งนั่งนิ่งๆเ่งจะมีมีตัวนีวน้วรานนี่คือนั่งแล้วขาชาแล้วจะทนทนไม่ได้ขอเปลี่ยนหน่อยมันจะทนไม่ได้เลยลเรื่องขาชาเนี่ยเดินก็ได้ใช่เดินจงกรมะเดินจงกรมก็ได้สมมุติว่าเมื่อกี้นั่งสวดมานานแล้วจะเริ่มขาชาแล้วก็พอสวดเสร็จแล้วก็กราบพระสามครัง้งเดินด้วยความรู้สึกตัว เดิน้วยความรู้สึกตัวเดินอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้นี่คือก่อนจะเดินให้ยืนนะนั่งจู่เหานั่งสวดมนต์ใช่ไหมต้องยืนก่อนนะเอ่ยืนแล้วก็ยืนไปยืนที่ปลายทางที่เราสมมุติว่าจะจะเดินนะสมมติว่าจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ก่อนจะยืนเอ้ก่อนจะเดินก็ยืนรู้สึกตัวพอเดินก็เดินรู้สึกว่าตัวเองกาลังเดินเห็นกายกําลังเดินถ้าใจเผลอรู้ทันว่ามีความเผลอเกิดขึ้นแล้วก็มากลับมาดูกายที่เดินต่อเดินนี้จะไม่ค่อยเห็นคือเดิน มันจะเดินไม่เคยรู้สึกตัวเจอไปถึงสุดกลับแบบไม่แปลกเลยอันเมื่อกีอ้อาตมาเล่าแล้วใช่ไหมยืนรู้สึกตัวเดินก็ควรจะรู้สึกตัวแต่อาตมา ก, ก็เดินแล้วก็ใจลอยไปเรื่อยเรื่ยมารู้สึกตัวอีกทีก็ปลายทางธรรมดามากธรรมดามากแต่ให้ทําอย่างนี้อาตมาเวลาพูดก็จะพูดหลักการว่าเดินด้วยความรู้สึกตัวแต่พอทําปฏิบัติจริงเดินไปเผลอตลอดทางถึงปลายทางค่อยรู้สึกตัวโอเคแล้ว ใช้ได้แล้วอย่างน้อยๆมีหัวทางกับปลายทางรู้สึกตัวใช้ได้แล้วนะเดินมากูจะเดินไปทาไมว่าไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยรู้สึกขี้เกียจรู้สึกท้อใจรู้ทันท้อใจแล้วก็เดิน <c oughs> มีกำ <c oughs> หนดเวลาไว้สักหน่อยนึงว่าจะเดินไว้สักประมาณ10นาทีนะถ้ามันยังไม่ถึง10นาทียังไม่เลิกวนอย่างงี้นะจริงๆ10นาทีก็ยงน้อยนะสัก15นาที จริงเดินไ<า>ง่ายอย่างตอนนี้ขาเดินเนีนะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องขาชาเลยนั่งนี่ยังนั่งนานแล้วก็รู้สึกว่าขาชา10นาทีรู้สึกทรมานนะแต่เดินเนี่ยนะจะไม่ไม่มีความไม่มีทุก ข, เ, ขเวทนามาเบียดเบียนเหมือนการนั่งนิ่งๆเพรเดินมันผ่อนคลาอยอยู่แล้วมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเอาสักไม่ไม่เอาเอาแบบง่ายๆก่อนไม่ต่ำกว่า15นาทีถ้ามีสภาวะขี้เกียจขึ้นมารู้ทันว่าขี้เกียจ แล้วก็เดินแล้วก็ไม่ได้เดินตลอดเดินบ้างยืนบ้างตอนหัวทาหัวทางก็ยืนทีหนึ่งปลายทางก็ถือยืนอีกทีแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวก่อนจะเดินก็ยืนอีกทีนึงยืนยืนรู้สึกตัวแล้วก็หมายเลยว่าเดี๋ยวจะเดินไปทางโน้นแล้วทําใจรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปเดินถึงไปลายทางทีกู ล, ลืมมาตลอดเลยอย่างน้อยๆรู้ว่าลืมใช้ได้แล้วโอเคนะ okay. <c oughs> ค่ะเพอเอิญวันก่อนนะคะหลังจากที่ลูกศึกมานะคะเธอก็ถามว่าเราอะ่ะมีพุทธศาสนามา 2,500 กว่าปีแต่พระอะพระอาจารย์บอกว่ามีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์แล้วก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่มีศาสนาพุทธหรอในโลกนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยตอบไปว่าสงสัย พระพุทธเจ้าองค์ก่อนไม่ได้สอนมัง้งแต่ไงเดี๋ยวมาถามพระอาจารย์กิตอีกทีนึงพรุทธเจ้าสอนทุกพระองค์ถ้าพรุทธเจ้าม ไ, มไม่สอนหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้มไม่ได้บอกหรือแล้วก็ไม่หมายถึงไม่ได้ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นศาสนาพุทธอะไรหรือเปล่าแต่สรุปก็คือแม่บอกว่าให้มาถามอาจารย์กิตอะคะ่ะเออถูกต้องที่สุดพระพุทธศาสนาจี่จะเรียกว่าพุทธศาสนาได้ก็คือต้องต้องมี พุทธพุทธก็คือผู้รู้ทีนี้ผู้รู้ที่มารู้ครั้งแรกเลยในขณะที่คนอื่นไม่รู้เลยไม่ใช่หมายมความว่าไม่ใช่ว่าตลอดสังสารวัฏนะหมายถึงว่าในขณะที่ตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยแล้วมามีคนคนแรกเราเรียกคนนั้นว่ารู้เองเพราะไม่มีใครสอนการรู้เองเนี่ยนะถ้ารู้แล้วไม่สอน จะเรียกว่าปัจเจกพุท ธ, ธะรู้เองแล้วไม่ได้สอนก็ตัดสรู้เองเออพ้นทุกไปเองไม่สอนใครพุท ธ, ธาศาสนาไม่เกิดในยุคที่เป็นปัเจธธปเจกพุทธะปัจเจกพุทธะเนี่ยสามารถมีพร้อมกันหรือมีมีอะไรมีปัจเจกพุท ธ, ธะได้หลายหายองค์พร้อมๆกันแต่สัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยนะก็เกิดขึ้นมา ในยุคที่ไม่มีใครรู้ศสตร์สรู้เองคือไม่มีอาจารย์ตร์สรู้เองจากการที่สั่งสมบา ร, รมีมาสั่งสมบา ร, รมีมาสิบอย่างสําคัญสิบอย่างต้องยกอย่างนี้สิบอย่างสําคัญเมื่อกี้ยกแค่นี้สิบอย่างสําคัญ <laughs> นี่คนอย่างนี้เรียกว่าอะไรทิฏฐิจริตชอบมีความคิดความเห็นท่าทางตัวเองอย่างใส่ความเห็นเข้าไปเลย <laughs> นี่นอกเรื่องนิดนึง พระพุทธเจ้าคือผู้ที่สร้างบา ร, รมีมา10 1สิบอย่างเนี่ยสิบบา ร, รมีเนี่ยมาจำนวนเวลาแล้วแต่บางองค์ใช้เวลานานบางองค์ใช้เวลาไม่นานไม่นานในอย่างเร็วที่สุดคือสีอสงไขยกระแสนักับสร้างบา ร, รมีจนได้เต็มเพื่อจะพร้อมจะม า, ม า, มาตัดสรุปเองพอตัดสรุปเองถ้าเป็นพระพุทธเจ้า ประเภทที่ว่าจะมาสร้างศาสนาเราจะมีคำเสริมไ้นิดนึงว่าสัมมาสัมพุทธะภาษาไทยก็แส่คำว่าเจ้าไปหน่อยหนึ่งสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะนี่คือตัดสรุ้เองแล้วมาสั่งสอนสั่งสอนคนที่รู้ตามก็เรียกว่าพุทธะเหมือนกันแต่รู้ตามเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอนุอนุแปลว่าตามอนุพุทธะคือพุทธะที่รู้ตาม ก็คือพวกสาวกทั้งหลายมีใครบ้างอ อ, อรู้จักไหมพระ อ, อนนพระสารบุตรพระโมคคัลลานะพระปัญจวัคคีอะไรต่างๆนาน า, นาจนถึงยุคปัจจุบันก็จะมีอนุพุทธทะที่ไม่ทนันเอ่อเห็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระอรหันต์ในยุคหลังๆพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามาคือคำสอน คำสอนก็คือคำสอนสอนว่าทําอย่างไรให้พ้นทุกข์นี้แต่ละคนก็จะมีจริตต่างๆกันมีภูมิหลังต่างๆกันเวลาสอนคนนี้ก็สอนแบบหนึงสอนคนนี้ก็สอนแบบหนึ่งสอนปัญจวัคคีย์ก็จะสอนในแง่าที่ว่าเห็นขันท่าเป็นทุกข์เห็นขันท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาันตาเนี่ยปัญจวัคคีย์มีจริตแบบนี้ให้ดูให้ดูชีวิตมีองค์ประกอบ5อย่างคือ รูปธรรมหนึ่งนามธรรมอีก4เป็นขันห้าไปสอนชดิน3พี่น้องชดิน3พี่น้องชอบบูชาไฟก็ให้ดูกิเลสลุกโพงเหมือนไฟลุกโพรงตอนไหนบ้างกิเลสจะเกิดขึ้นตอนไหนตากระทบรูปแล้วเกิดกิเลสนี่ตาก็เป็นไฟราคะก็เป็นไฟหูรอบเสียงแล้วเกิดกิเลสหูนี่ก็เป็นไฟหูไม่ใช่ใบหูเป็นไฟนะั่นหมายถึงว่าโสตะคือประสาทรับรู้เสียงยแล้วก็ ราคาที่เกิดโทสะที่เกิดกเป็นไฟกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในการฟังก็เป็นไฟสอนอย่างนี้สอนให้ตรงกับผู้ฟังคําสอนอพระองค์จึงมากมายหลากหลายมากรวบรวมแล้วก็ใช้สํานวณว่า8ป0 0 0ื่พระธรรมคัมภ์เรียกคําสอนของพระองค์ว่ า, าศาสน า, สาศาสนาแปลว่าคําสอนสาศาสนาในแง่ของชาวพุทธเนี่ยคือคําสอนของผู้รู้ ก็คือพุท ธ, ธเราเรียกว่าพุท ธ, ธาศาสนาไม่เรียกคําสอนของอื่นว่าศาสนาเราจะเรียกเฉพาะคําสอนของพระเจ้าว่าศาสนาศาสนาในแง่ของฝรั่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับในแง่ของพวกพวกฝรั่งสากลทั้งหลายเนี่ยนะจะแปลจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรียกว่าศาสนาก็ต่อเมื่อมีพระเจ้า ผู้สร้างมีคำสั่งมาว่าสั่งให้ทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะผ่านตัวแทนผ่านตัวแทนมาบอกต่อให้กับประชาชนให้กับชาวโลกอย่างเงี้ยอย่างเี้เรียกว่าศาสนาแต่ของพุทธศาสนาที่เราเรียกกันเองเนี่ยนะฝรั่งเองบางบางจำพวกก็ยังงงว่านี่จะเรียกว่าศาสนาหรือเปล่าคือมันไม่ตรงกับอะไรคำนิยามคําว่าศาสนาในแง่ความรู้สึก ข, ของเขา แต่ในของชาวพุทธเนี่ยนะศาสนาพุทธหมายถึงคําสอนของพุทธะคาสอนของพุทธะคําสั่งสอนของพุทธะพุทธะในที่นี้คือองค์แรกคือพระพุทธเจ้าที่ที่เป็นสัมมาสัมพุทธะรวมทั้งอนุพุทธะที่เข้าใจคําสอนพระองค์แล้วนํามาบอกต่อด้วยในพัฒไตรปิฎกก็จะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ก็มีคําสอนของภาษาลิบุตรด้วยมีคําสอนของพระมหาคัสปะด้วยอยู่ในนั้นแล้วพอ ศาสนาบางพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะพอประิพนิพานไปแล้วคำสอนของพระองค์เนี่ยไม่มีผู้สืบต่อคนสุดท้ายที่ฟังคำสอนอพระพุทธเจ้าองค์นั้นตายไปแล้วก็หมดศาสนาไปหมดศาสนาคือไม่มีใครจาได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างนะแต่อย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยนะมีมีพระปัญญามาก พระองค์ก็มีทั้งพระธรรมและทั้งพระวินัยมีบัญญัติต่างๆเพื่อจะให้หมู่สงฆ์เนี่ยอยู่ได้ในระยะยาวพอหมู่สงฆ์อยู่ได้ในระยะยาวมีการท่องจําคําสั่งและคําสอนคือทั้ ง, ท, งทั้งพระธรรมและทั้งพระวินัยทําให้แม้พระเจ้าปรินิพนิพานไปแล้ว2000กว่าปีนับอายุไขหรือนับช่วงอายุคนแล้วก็หลายช่วงอายุคนแล้วนะก็ยังมีคําสอนพระองค์ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่ า, าศาสนายังอยู่อย่างเงี้ยศาสนาบางในบางาศาสนาจึงอายุยืนยาวหลังพระพุทธเจ้ามาอีกหลายชั่วอายุคนอย่างเงี้แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีวันหยุดหมายถึงว่าคนก็คุณภาพน้อยลงคุณภาพน้อยลงความท่องความสนใจในพุทธศาสนาความสนใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะน้อยลงความความจำได้ ความสามารถในการจําก็น้อยลงถึงอบางทีกิเลส ก, ก็รุนแรงขึ้นก็มาห้ามหันกันเองที่ก็เกิดสงครามล้างไปอย่างเงี้ยศาสนาก็ถูกลืมทะเลาะกันเองจนถู ก, ถ, กถูกลืมพอศาสนาถูกลืมเมื่อไหร่ก็หมดคือคําสอนไม่มีใครจําได้แล้วไม่มีคำไม่มีใครจําคําสอนได้แล้วก็การว่าหมดศาสนาขราวนั้นก็รอไปเรื่อยเรื่จนกว่าจะมีพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ สังสมบาลมีเพื่อจะมาเป็นพระเจ้ามาอุบัติแล้วก็ตัดสรู้ขึ้นมากลายเป็นสัมมาสัมพุทธะเพื่อจะสอนต่อก็เกิดศาสนาใหม่คําว่าศาสนาใหม่ก็คือศาสนาพุทธนั่นแหละเกิดครั้งใหม่ไม่ได้เป็นศาสนาอื่นที่สอนแบบอื่นแต่เป็นศาสนาพุทธเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เข้าใจไหมนับเวลาอายุของศาสนากับนับเวลาของสังสารวัตรแล้วนะศาสนาเนี่ยมีอยู่นิดเดียว เวลาที่เป็นสังสารวัตที่เราเกิดเราตายมาเนี่ยนะสมมุติว่ากัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์อุบัติแล้ว4ขณะนี้เป็นครั้งที่4ศาสนาที่4ในกัปนี้แต่ถ้านับช่วงเวลาแล้ว น, นะไม่ใช่ว่าออมีศาสนาพุทธมาสมมติเป็นเส้นตรงมีศาสนาพุทธมายาวๆไม่ใช่ยังงั้นนะศา ส, สนาพุทธมีอยู่นิดนึงต้องมาอีกนิดนึงต้องมาอีกนิดนึงต้องมาอีกนิดนึง นอกนั้นนะโลกมืดไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ดับนะคือมืดจากปัญญาไม่มีไม่มีคําสอนที่จะนําไปสู่ทางพ้นทุกข์แต่คนดีมีอยู่แต่คนดีเกิดมาก็จะเคว้คงคว้างไม่รู้จะต้องการจะพ้นทุกข์ไม่รู้จะพ้นทุกข์แบบไหนต้องการจะพัฒนาจิตใจตัวเองไม่รู้จะพัฒนาแบบไหน ของเราเนี่ยังอยู่ในยุคที่ยังมีแสงสว่างอยู่นะต้องการจะพัฒนาตัวเองให้พ้นทุกเนี่ยยังมีครูบาอาจารย์ทรงจําคําสอนพระเจ้ามาบอกต่ออยู่ยังมีครูบาอาจารย์ที่เรียนคําสอนพระเจ้าและปฏิบัติจนได้ผลเป็นพยานในการตัดสู่ของพระเจ้าได้อยู่ทั้งในแง่ของการทรงจําและในแง่ของการผลบัตของการปฏิบัติด้วยยังอยู่ในยุคที่ยังมีครูบาอาจารย์สืบทอดมาก็ นับ ว, ว่ายังมีาศาสนาแล้วก็ยังเป็นไปได้อยู่ที่จะทำให้เกิดมรรคผลในพวกเราได้อย่างเงี้ยนี่คือคำว่าพุทธศาสนาคร่ า, าวๆคือแสดงว่าอย่างในยุค ข, ของพระเจ้าทีปังกรอย่างเงี้ยค่ะ <h ums> ก็ถือว่าเป็นมีาศาสนาพุทธมีเพียงแต่ว่ามันก็เป็นอีกอีกยุคหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับพวกเร า, าเร า, าอะไรมาแล้ว แล้วคล้เห็นกันว่ามนุษย์กไม่รู้คำว่ากลับคว่ากลับหนึ่งเลยนะพระพุทธเจ้าทีมังกรเนี่ยในอดีตตั้งแต่สี่อสงไขยกระแสลับที่แล้วคำว่ากลับในที่นี้หมายถึงว่าจั ก, กรวาลหรือโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแตกสลายลงรอบหนึ่งและวันหนึ่งกลับแล้ว <laughs> สี่อสงไขยคือนับไม่ถ้วนสี่ครั้ง นับโทษอีกแสนครั้ง <c oughs> นานแค่ไหนโลกนี้ อ, า ย, อ า, ยายุโลกนี้อายุเท่าไหร่นีโลกนี้อายุเท่าไหร่กี่ล้านปียังนับยากเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยที่ว่าโลกเนี้ยอายุกี่ล้านปี น, นะนะผ่านพุทธสามสานามาแล้วสามครั้งแต่หาหลักฐานไม่ได้เลยแทบไม่เจอเลยอาจจะมีอยู่นะแต่ไม่เจอ ถ้าอย่างนั้นพระธี่บังกรก็ไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้ <c oughs> ธธาใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วมีสาวกใช่ไหมพระธี่บังกรเสด็จมาพร้อมพระส็จมาพร้อมภาษาบกสุเมตดาบ ท, บทเห็นแล้วเกิดศรัทธาใ่อ๋อใช่ใค่ะพอดพีลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้บ้างอ๋อพอดีลูกก็สงสัยว่าไอ้มีพระที่บังกรแล้วทําไมถึงแค่ 2,500 ันของคือสองพันของพระพุทธเจ้าเราเสียสองข่ยกระแสกับที่แล้ว <c oughs> ที่เรารู้ได้เพราะว่าอาศัยพระยานของพระพุทธเจ้ามาระลึกให้ฟังว่า <c oughs> เมื่อครั้งเสียสงฆขายกระแสนับที่แล้ว <c oughs> เราได้เป็นสุมเมตดาบทเราในถึงว่าพระพุทธเจ้าเราได้เป็นสุมเมตดาบทครั้งนั้นถ้าจะไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงอภินญาหกด้วยไม่ใช่ไม่ใช่พระอาหารหันต์ธรรมดาด้วยนะพระอาหารหันต์ที่มีอภิญญาห มีพร้อมเลยแต่ไม่เอาปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะทำงานใหญ่ที่จะพาสัตว์โลกเนี่ยพ้นทุกข์ให้มากคือถ้าถ้าจะพ้นทุกข์ได้ตัวตัวเองเนี่ยพ้นไปได้แล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพิธีบังกรแต่ไม่เอาอาศัยอะไรอาศัยพระกรุณารกรุณาอย่างใหญ่ที่ต้องทนทุกข์อีก4อสงไขยกระแสนกับ เพื่อสร้างบารมีสะสมบารมีให้พร้อมพอที่เป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งใช้เวลาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าทีบังกรเนี่ยนะส2ขไข่กระแสนกับก่อนหน้านั่นอีก1 6บสงไข่กระแสนกับตั้งแต่เริ่มปรารถนานะขึ้นมาครั้งแรกนึกขึ้นมาในใจว่าทำยังไงที่เราจะพ้นทุกข์แล้วพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยเนี่ยคิดขึ้นมาครั้งแรก เมื่อ20อรสงค์ขยกระแสกลับท um, ี ğini, <Yes>, okay, ่แ <Antwort> ล <noises> ้วกว่าจะไม่รับกว่าจะมาได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ฟังกรเนี่ยนะได้รับพรุทธเจ้าได้รับพยากร์จากพรุทธเจ้าที่ฟังกรแล้วเนี่ยครั้งแรกคือเมื่อ4ประสงค์ขยกระแสกลับที่แล้วและนับแต่นั้นมาก็เจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็แต่ละองค์ก็พยากรณพอเข้าใจไหม มีคาถามฝากถามครับถามว่าการุญยฆ า, าตเนี่ยในศาสนาพุทธนั้นผิดหรือไม่ครับการุญยฆ า, าตมันก็ผิดในแง่ของการฆ่าถ้าลงลงชื่อว่าการุญมันมีคาว่าการุญนะการุญก็ดีอยู่แต่มีคาว่าฆาตอ่ะฆาตแปล ว, ว่าฆ่าถามว่าผิดไหมก็ต้องว่าต้องตอบตามตรงว่าผิด แต่ว่าโทษมากโทษน้อยแค่ไหนถ้าฆ่าถ้าฆ่าได้โทสะฆ่าด้วยความเครียดแค้นอันนี้เต็มไปด้วยกิเลสแต่การุณเนี่ยคือปาถนาให้เขาพ้นทุกข์เห็นเขาทุกทรมานมากปรารถนาเขาพ้นทุกข์ถ้าเจ้าตัวมยียอมช้อมใจก็น่าจะโทษน้อยมากเลยแต่ถ้าเจ้าตัวมไม่ได้ยินยอมพร้อมใจนะเห็น กำลังทรมานก็เลยสับคอชกแต่ตเขายังไม่อยากตายอ่ะอย่างนี้ก็ถึงแม้จะมีการุงยาฆ่าก็โทษมากขึ้นใช่เพราะเขายังไม่ยินยอมอยนี้ถ้าคนไข้สมมติว่าคนไข้ถึงคราวที่ว่าไม่อยากเห็นสภาพตัวเองแย่ไปกว่านี้ขอตายในมือหมอขอตายขอตายใ น, ในโรงพยาบาล ในความดูแลของหมออะไรเงี้ยนะขอให้หมอทำการรุญยาฆาตอย่างนี้ก็หมอจะทำก็ถามว่าถือว่าเป็นการฆ่าไหมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าฆ่าก็ฆ่าแต่โทษมากโทษน้อยแค่ไหนก็ดูที่ว่าองค์ประกอบต่างๆมีอีกแบบหนึ่งที่จะไม่เป็นการรุญยาฆาตก็คือถ้าผู้ป่วย ไม่ต้องการให้ฆ่าแต่ต้องการให้ตายเองนึกออกไหมปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการรักษาอะไรบ้างปฏิเสธการารักษาอ่างงยว่าไม่ให้ปั๊มหัวใจไม่ให้ใส่ท่ออะไรช่วยที่มันไปค้ำในอยู่ในคอเลยนะไม่ให้เจาะคออะไรเงี้ยไม่ขอรับ วิธีการรักษาแบบนี้ขอให้ไปแบบธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่การลุญยาฆาตเพราะจะตายอยู่แล้ว <c oughs> คือจะตายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ยื้อให้มันให้มันทรมานก่อนตายนานๆอย่างนี้ไม่ใช่การลุญยาฆาตและกไม่ใช่การฆ่าอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยทั้งคนตายแล้วปลอดภัยทั้งคนรักษาทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งญาติด้วย น, นี่คือยินยอมยินยอมพร้อมใจกันว่าให้ไปแบบธรรมชาติแต่การเรายคาตเนี่ยขอไปเรเร็วเลยขอไปตอนเนี้ยไม่อยากให้ถึงเวลาแบบสุดท้ายขอไปก่อนอันนี้การเราเนียคาตไม่เหมือนกันงั้นถ้าให้ปลอดภัยที่สุดคือให้ไปแบบธรรมชาติพร้อมกับจะไปแบบธรรมชาติได้เนี่ยผู้จะไปก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญความจรงิงนะ จ ะ, ะเผชิญความจริงได้ก็ต้องฝึกแต่ไหนตอนนี้อย่าให้อย่าให้ญาติต้องมาเดือดร้อนมาัาแล้วกูจะทําไงต่อเนี่ยใส่ท่อไปแล้วเนี่ยกูถอดกลายเป็นกูฆ่าเงี้ยเขาก็ลำบากใจใช่ไหมนั้นต้องตกลงกันไว้ก่อนบางทีก็ต้องเขียนไปเลยนะต้องไม่เขียนก็พิมพ์แปะเลยบางคนสักไว้เลยนะสักไว้ได้แขนเลยไม่ขอรับการรักษาอะไรบ้าง อย่างนี้นนไปที่แขนเลยสักไว้กลางหลังก็มีนี่สบายใจคือวิธีการรักษาเนี่ยบางทาีถ้าเจอคนเจอโรงพยาบาลที่มุ่งรักษาชีวิตยอย่างเดียวบางทีญาติหรือว่าคนไข้ก็ลำบากใช่ไหม คืออยู่ๆนานๆเข้าชักบางทีญาติชักมองหน้ากันเงินในแบงก์มันหมดแล้วอะไรเงี้ยชักเครียดแล้วคุยไปคุยมากระแสะเครียดไปหาคนคนป่วยมันคุยอะไรกันวะอ๋อหมดตังแล้วงั้นกูตายดีกว่า <c oughs> จะตายบางทีก็ตายไม่ได้เพราะไอ้เครื่องมือมันยังยื้ออยู่ตายก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ตายเขย่าเตียงเมื่อไหร่ก็จะให้กูตายสักทีวะ <c oughs> งั้นวิธีที่ง่ายๆก็คือว่าตกลงกันเองไว้ก่อนว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่เอาอย่างนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่เอาอย่างนี้แล้วถามว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมไม่ได้ฆ่าตัวตายมันจะตายอยู่แล้วครับทางโรงพยาบาลการรุนยาฆ่าป่าไม่ใช่การรุนยาฆาตแล้วตายแบบนี้นะตายในความดูแลของหมอด้วยมันจะไม่ทรมานเกินไปมแต่ว่าไม่ทรมานก็ไม่ทรมาน <laughs> จบเหมือนจะดู เราไม่ทรมานนึกเลยจะตายได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องแบบป่วยตายนั่นแหละแต่ว่าตายแบบธรรมชาติมันดีกว่าแบบยื้อให้ทรมานนานแต่คนที่ฝึกมาแล้วเนี่ยนะกายป่วยแต่จิตไม่ป่วยถึงตอนนั้นแล้วไม่น่าห่วงพูดไปประมาเดี๋ยวจะกลัวว่ากลัวความป่วยกลัวความเจ็บกลัวความตายไม่น่ากลัว ปรเจ้าให้พิจารณานะมีความแก่เป็นธรรมดาแก่อยังยัง <laughs> เ, เ, เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแก่เป็นธรรมดา <laughs> จะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้มั้งยังเดี๋ยวจะเจ็บคนนี้อีก <laughs> จะมีความตายเป็นธรรมดาตายยัง <laughs> <laughs> เราตายมาเรื่อยๆนะเราตายมาเรื่อยๆตายจากวัยเด็กตายจากวัยรุ่นตายจากวัยหนุ่มสาว ตอนนี้มาถึงวัยหลังหนุ่มสาวแล้วตายไปเรื่อยๆตายไปแตละชั้น่ละชั้นและชั้นร่างกายของเราเนี่ยนะที่ทนที่สุดอายุยืนที่สุดคือกระดูกอายุยืนคงทนที่สุดแต่ทนที่สุดเนี่ยนะก็อยู่ได้แค่9ปีอายุเท่าไหร่ละมันผ่านความมันผ่าน9้าปีมากี่รอบแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นไม่เหลือของเดิมอยู่เลยร่างกายเนี่ย น, นะไม่เหลือของเดิมอยู่เลยไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมเลยตายไปแล้วเยอะแหละเซลล์ต่างๆที่ว่าแข็งแรงที่สุดทนที่สุดคือกระดูกเนี่ย น, นะหมดไปแล้วเก้ารอบฉะ <laughs> นั้นอย่ากลัวความตายคน เห็นความจริงของความตายคือความตายเป็นการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งถ้ายังไม่ไม่บรรลุเป็นพระอารหันตนะ์เนี่ยเป็นผ่านจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งถ้าทำบุญไว้ดีตายาชาตินี้ก็ไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นตายด้วยบุญกุศลก็จะไปอยู่เสวยผลบุญเพราฉะนั้นพวกที่ทำบุญมากๆไม่กลัวตายเพราะรู้อยู่ว่า ตายไปจะดีกว่านี้เหมือถึงว่าไม่ใช่ตายดีกว่านี้นะไปอยู่ที่ดีกว่านี้ไปอยู่ที่ดีกว่านี้ <c oughs> ไ, นไม่กลัวตายบางคนเห็นญาติตัวเองพูดก่อนตายแล้วนึกว่าเพาิ่มมีเทวดามาคุยด้วยนึกว่าเพิ่จริงไม่เพิ่คุยกับเทวดาเทวดามาแย่งกันให้ไปอยู่กับเขาเทวดาเนี่ยเห็นคนดีๆนะอยากให้ไปอยู่ด้วยบางทีมาเสนอมาอยู่ชั้นนี้เลย มาอยู่ชั้นนั้นเถอะอะเงี้ยมีไหมมีคนเคยมาดึงเราไป <laughs> มาอยู่กับชั้นเถอะอยู่คอนโดชั้นนี้วิวสวยอะไรเงี้ย <laughs> ม, มีการแย่งตัวมีเซ ม, ม, มีอุบาสกคนหนึ่งจะตายเนี่ยนะมีเทวดามาแย่งตัวลูกๆเนี่ยนิมนพระมาสวดมาสวดมนให้ฟัง พอพระมานั่งปุ๊บพ่อบอกกลับไปก่อนให้กลับไปก่อนลูกๆ ก, ก็เสียใจโธอุตสาหนิมนพระมาแล้วพ่อเนี่ยนะตอนตอ น, ตอนยังดีๆอยู่ไม่ป่วยเนี่ยศรัทธาพระมากทําบุญบ่อยๆไปไปวัดบ่อยๆสวดมนต์เก่งด้วยตอนนี้นิมนพระมาจะให้มาสวดมนต์ให้ฟังก็ไล่พระกลับลูกๆเนี่เสียใจมากโอ้พ่อนี่น่าจะไปไม่ดี ก็เลยบอกพระว่านิมนต์กลับไปก่อนนะครับพ่อผมเป็นอะไรเขาลูกตอนนี้เพิ่อใกล้ตายน่าสงสารมากนิมนต์กลับไปก่อนพระก็กลับไปพอพระกลับไปแล้วพ่อก็หันมาอ้าวพระไปไหนแล้วล่ะอ้าวก็พ่อไล่ไปเมื่อกี้นี่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่พระอ้าวแล้วพ่อพูดกับใครพูดกับเทวดาพ่อเพิ่อแล้วเนี่ยลูกไม่เชื่อนะถามว่าพ่อเพิอพ่อเพิอแล้วไม่มีลูกไม่เห็นลูกไม่เห็นเทวดา พ่อบอกว่าเนี่ยมารออยู่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยพ่อเพอิ่มมากแล้วนะเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นมีเอาอย่างนี้ไหนพวงมาลัยที่จะถวายพระเมื่อกี้อยู่อยู่ไหนนี่ครับถ้าพ่อตายให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนดีเนี่ยให้เลือกจากตุมหาราชชั้นถัดไปเป็อะไรชั้นไหนทาไมดกสิตไปไวจังเลยเดี๋ยวสิ <c oughs> มีมีชั้นไหนนะ ด่าวดึงอะยามาอันนี้ดุสิตนี่ชั้นที่สี่นี่อะไรนิมมานราดีแล้วก็ปัละปัลนิมมิตาวาสวัสดีไม่ใช่ผมผมนี่แบบพวกทําฌานได้นี่พวกอยู่ในกามาภูมิกามาวจรก็ไล่ให้ลูกๆฟังเนี่ยจะอยู่ชั้นไดนีชั้นไหนดีในหกชั้นนี้สมมุติแม่ให้เลือกเนี่ให้อยู่ชั้นไหนดีฮะ <c oughs> อยู่มาอยู่ชั้นไหนดีชั้นดูสิทธิ์เขาจะทุบแล้วไม่เฉลยดูสิทธิ์เฮ้ะไม่คนละที่กันใช่ไหมชั้นดูสิทธิ์ลูกก็บอกชั้นดูสิทธิดีทำไมชั้นดูสิทธิดีเพราะว่าเป็นชั้นที่มีพระโพธิสัต์อยู่เยอะยังไงยังไงก็ไปอยู่ในนั้นนะนะอยู่บนนั้นเนี่ยน่าจะได้ฟังธรรมจากพระโพธิสัตว์บ้างไม่เหงาอ๋อพระพ่อกขาบอกว่าอ๋อดูสิทธิ์เหรอ งั้นจะแขวนพวงมลาลัยที่ราชรถของเทวดาเจ้าดุสิตก็แขวนฟึ๊บลูกก็ไม่เห็นแหละราชรถเทวดาเจ้าดุสิตไม่เห็นนะแต่พ่อนี่เห็นพ่อก็แขวนปุ๊บปล่อยปุ๊บพวงมลาลัยไม่ร่วงรอยอยู่ทันแหละลูกก็โอ้มีจริงเว้ยจริงขอโทษครับขอโทษครับไอบ <laughs> ขอโทษครับเนี่ยตมาเสริมเองอนะ่ะ ตกลงก็เลยกลายเป็นว่าไม่เจเผอเห็นเทวดามาจริงๆแล้วเทวดามาจริง <c oughs> พระจเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลพระกลับไปนะพระก็กลับไปพทะเจ้าก็ถามเป็นยังไงบ้างสวดมนต์งานสวดมนต์เป็นยังไงบ้างโอ้อุบาสกคนนี้น้าตรงศารจังเลยตอนแข็งแรงดีก็ ดูดีศรัทธาดีตอนเนี้ยไปเขาไล่กระหม่อมชั้นกลับมาบอกเขาไม่ได้ไล่เธอเขาไล่เทวดาตกลงคนเฉลยคือพระพุทธเจ้าตกลงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความแก่ไม่ต้องกลัวความเจ็บไม่ต้องกลัวความตายถ้าเรามีบุญไม่ดีบุญที่เราต้องทําไว้เยอะก็คือมีอะไรบ้างบุญทําบุญมีบุญอะไรบ้าง ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะดังนั้นเรื่องให้ทานก็ควรทํานะไม่ใช่ว่าโอ้เราจะภาวนาอย่างเดียวไม่ให้ทานเกิดเราภาวนาแล้วมันไม่จบชาตินี้ต้องไปเกิดชาติหน้าจนแย่เลยเดินตอกต่อยไปเรื่อยๆแต่ฉลาดเนะฉลาดมากเลยภาวนาเก่งแ ต, แต่ไม่มีเพื่อนเลยลําบากเงินนะก็ต้องให้ทานด้วย มีบริวารแล้วก็มีมีอะไรพวกทระซัเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้ดำรงชีพไม่ฝืดเคืองก็ภาวนาจะดีขึ้นด้วยให้ทานเสร็จแล้วก็ต้องรักษาศีลนะต้องไม่ไปแสดงกายกรรมวิจีกรรมละเมิดใครก็คือง่ายๆก็คือถือศีลห้าศีลห้าในเป็นมาตรฐานแล้วภาวนาภาวนาก็ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาใครจะทาสมถะก่อนก็คือคนที่ทา สมาธิได้ง่ายใครจะทำวิปัสสนาก่อนก็พวกที่ทาสมาธิยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวจะได้เองนะแล้วสมาธิของคนที่ทำวิปัสสนาก่อนเนี่ยนะจะไม่สมาจะไม่ใช่สมาธิที่แบบนิ่งนิ่งไม่ใช่สมาธินิ่งนิ่งไม่ใช่สมาธิแบบเงียบเงียบแต่เป็นสมาธิแบบคล่องแคล่ว ค่องแคล่วในความในการรู้สึกตัวค่องแคล่วจะเห็นจิตเคลื่อนค่องแคล่วนี่จะเห็นจิตไหลเห็นจิตทํางานเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะของจิตแสดงตรัยลักษ์เห็นจิตแสดงตรยลักษ์เห็นจิตมันแสดงความไม่เที่ยงเห็นจิตแสดงความเป็นอนิจจังเห็นแสดงความเป็นอนัตตาคือมันจะมีสมาธิตัวนี้ปุ๊บเจริญปัญญาเลย มีสมาธิจเจริญปัญญาเลยแต่สมาธิที่พวกเราเคยคิดว่าจะทําในสมัยก่อนๆเ น, นี่ย น, นะทําเงียบๆนิ่งๆสงบสงบเคริมเลิมเคลิมมากหลับ <c oughs> หรือไม่ก็เครียดเครียบังคับตัวเองให้อยู่กับที่นิ่งๆจิตมันไปรีบดึงกลับมาจิตไปรีบดึงกลับมาเครียดเครียดสมาธิเครียดเียดก็ใช่ไม่ได้สมาธิของพวกพิปัสชนาาอย่ะนี้จะพอได้สมาธิแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นสมาธิที่เป็น อะไรสมาธิที่พร้อมเจริญปัญญาเรียกสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานภาวนาต้องทำสองแบบพระเจ้าเวลาพูดถึงวิปัสสนาและสมถะเนี่ยนะจะพูดคู่กันเสมอสมถะเกิดขึ้นมาพูดธสมถะเมื่อไหร่เนี่ยนะจะมี แ, มและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาจะไม่พูดสมถะล้วนๆแต่วิปัสสนามาได้วิปัสสนาเนี่ยนะ บนทีก็พูดเดียเด่ยวๆขึ้นมามีคำถามอีกไหมค่ะ ข, ขอคขวามรู้นิดึค่คะเอ่อคือรู้จักกับคนที่มีปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยนี่ควรจะแนะนำเขายังไงคะอาวคนปัญญามากศรัทธาน้อยเนี่ยนะบางทีก็อาจจะต้อง ใช้วิธีท้าทายคือเขาไม่ศรัทธาไปบอกให้อยู่เฉยๆไปบอกเขาก็ไม่มีศั์ไม่มีศรัทธานำก็เลยไม่ไม่โน้มน้อมมาเพื่อจะมาศึกษาแต่ถ้าเขามีปัญญาสมมติเขามีปัญญา้วท้าทายท้าทายว่าให้ลองมาศึกษาทัานนี้รู้ว่าอะไรประมาณนี้ ทางนั้นอาจจะยังไม่ถึงที่สุดลองมาดูทางนี้ดูบ้างอะไรประมาณนึงหรือเราพูดเองไม่ได้ก็ให้เข้าไปดู YouTube ฟัง CD อะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถจะใช้คำพูดของเราสยบเขาได้ก็ต้องเมื่อเมื่อเขาเป็นประเภทปัญญาขนาดนั้นน่ น, นะก็อาจจะต้องใช้ ให้ลองฟังท่านนี้ดูถ้าไม่รู้สิไอ้สิ่งที่เขาศรัทธาอยู่มันตรงทางหรือเปล่าถ้าตรงทางแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเขาถ้าไม่ตรงทางก็ควรใช้วิธีนี้เพื่อกระตุนให้เห็นว่าไอ้ทางที่เขาศรัทธาอยู่นั้นน่ะมันตันแบบไหนอนี้บางทีเราบรรยายไม่ได้ก็ต้องให้ไปฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไปกับเราก็ใช้ซดีบ้างใช่ยูทูบบ้างหรือถ้าช่วยไม่ได้ ก็เจริญอุเบกขาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมรู้จักไหมอุเบกขารู้จักไหมเขาอุตสาพะยักหน้าแล้วก็หนาอุเบกขาเป็น คุณธรรมข้อที่สในพรหมวิหารรู้จักไหมพรหมวิหารเคยได้ยินหัหยพรหมวิหารคือเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐไม่ได้แปลว่าที่อยู่ของพระพรมนะที่อยู่ของพระพรมนะอาจจะอยู่4แยก <c oughs> <c oughs> วิหารธรรมพรหมวิหารเป็นวิหารธรรมของผู้ประเสริฐพรหมในที่นหมายถึงผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐนะควรจะมีคุณธรรม4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายามปกติควรจะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำแต่ถ้าเขารู้สึกคนนั้นมีทุกข์หรือตกตำ่ำเราควรจะเจริญกรุณาเพื่อให้เขาพ้นทุกข์หรือพ้นจากความตกตำ่ำ น, นั้นปรารถนาจะช่วยเหลือภาษาไทยเรียกว่าสงสาร สงสารเขาก็ช่วยช่วยเหลือมุทิตาจเจริญตอนที่เขารุ่งเรืองประสบความสำเร็จได้มีลาบมียศมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเนี่ยภาษาไทยก็ยินดีด้วยอันโมทนาด้วยแบบประมาณนี้ี แ, แสดงมุทิตาบางทีก็จะแสดงออกในวิธีให้รางวัล ทำดีตรงนี้แล้วยินดีด้วยกันมอบรางวัลให้แต่ว่าก็มีรางกา ร, รามีรางวัลเนี่ยนะก็จะมีข้อเสียก็คือว่าบางทีอาจจะทำดีหวังรางวัลก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยการให้รางวัลจึงต้องใช้ศิลปะในการให้อุเบกขาอุเบกขาจะใช้ตอนไหนอุเบกขาจะใช้ตอนที่ว่าใช้คุณธรรม3ามตัวแรกไม่ได้แล้วเช่นสมมติว่ามีเพื่อน อยากจะช่วยเพื่อนเห็นว่าเพื่อนภาวนาตรงเนี้ยนะน่าจะไปทางตันอยากจะช่วยตอนอยากจะช่วยเนี่ยเห็นเขาว่าจะไปทางตันไม่พ้นทุกเนียนะเรียกว่ามีการุณาก่อนจะกรุณาเนี่ยมีเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วกับเขาตอนเนี้ยเห็นเขาน่าจะมีปัญหาแล้วอยากให้เขาพ้นจากปัญหานี้เรีกามีกรุณา พอไปช่วยแล้วกรุณาแล้วปรากฏว่าเขาไม่รับกรุณาของเราถ้าไม่รับกรุณาของเราเนี่ยนะถ้าเราจเจริญกรุณาแล้วไม่แม่นยำจริงเราจะโกรธเขากรุณาพลิกเป็นโทสะหรือถ้าเป็นกรณีอื่นเช่นคนนั้นเขากาลังมีทุกข์มากเลยแล้วเราก็ฟังฟังความทุกข์ของเขาแล้วก็มีเกิด กุณานะเกิดกุณาแป๊บหนึ่งแล้วก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วยไอ้ร้องไห้ไปกับเขาด้วยเนี่ยไม่ใช่กรุณาเลยนะเป็นการจมไปกับทุกข์เขาละมีกรุณาแวบหนึ่งแล้วก็จมกับทุกข์ไปกับเขาไปเลยกลายเป็นผู้ทุกข์ไปกับเขาด้วย <laughs> อย่างนี้ก็ต้องระวังการเจริญกุณาก็มีข้อข้อควรระวังแบบนี้เจริญเมตตาก็ควรมีข้อควรระวังคือบางทีจเจริญไปจเจริญมามีราคะกับเขา มุทิตาจะใช้ตอนที่ที่เขาประสงความสำเร็จเนี่ย น, นะบางทีก็บนรระวังก็คือบางทีไปหวังผลประโยชน์กเขาดีใจที่เขาได้ดีก็เลยเออเราน่าจะมีส่วนอะไรเขาเ้าบ้างบางทีเพื่อนเป็นในพเงี้ยนะดีใจเพื่อนได้เป็นในพนเผื่อเราจะใช้เส้นหวังผลประโยชน์เรียกว่ามีแอบแฝงก็ต้องดูกิเลสตัวนี้ด้วยบางทีมัน พลิกไปพลิกมาจากกุศลเป็นอกุศลอุเบกขาจะใช้ตอนที่ว่าไอ้สตัวนี้ใช้ไม่ได้ไปช่วยเขาแล้วไปเตือนเขาแล้วไปสอนเขาแล้วแล้วเขาไม่รับไม่เจริญกรุปนาไปแล้วนะก็ต้องเออมันก็เป็นไปตามกรรมละ่ะเราช่วยได้แค่นี้คือช่วยแล้วเต็มที่ก็ต้องวางอุเบกขาว่าสัตว์โลกเป็นไปไปตามกรรมแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งหรือแช่งคือตอนเนี้ยช่วยไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่า ดูอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไม่กระทาอะไรไปมากกว่านี้แค่ดูเฉยเฉยเพราะว่าเราทําแล้วแล้วมันไม่ได้ผลแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสอีกเคล้ายๆกับว่าพอเขามีปัญหามากกว่านี้เราอาจจะเข้าไปช่วยอีกก็ได้ในบางแง่เหมือนกับเด็กเด็กตอนนี้นะแม่ก็จะเจริญอะไรมากมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณา มีทั้งมุทิตาไปเรื่อยๆเนย น, นะพอเด็กเริ่มโตนะอุเบกขาเริ่มมากขึ้นอพอเริ่มโตเตือนไม่ฟังเออช่างมันหรือไม่ก็ตอนที่เขามีครอบครัวเราจะไปตามจําที่จาใจอะไรเขไม่ได้แล้ว้าจะลาคาแล้วต้องวางอุเบกขาอุเบกข า, าไม่ได้ทิ้งแต่ว่าไม่เข้าไปใช้ไอ้สตัวนี้แล้วไม่ใช่เวลาจะใช้เมตตาไม่ใช่เวลาใช่กรุณามุทิตาละ แต่เฝ้าดูอยู่ถ้าเขามีปัญหาเดี๋ยเข้าไปช่วยได้มีบุญแล้วอุทิศส่วนบุญสักหน่อยก่อนมีบุญแล้วเนี่ยนะตอนมีบุญแล้วเนี่ยบุญที่เราได้ทําก็โดยอาศัยคําสอนของพุทธเจ้าก็เอาบุญเนี่ยเป็นเปรียบเหมือนการที่เราได้ปฏิบัติบูบบชาพระองค์ก็บูชาพระพุทธเจ้าบูชาคําสอนของพระองค์ บูชาผู้ที่นำคําสอนสืบต่อมาจนถึงพวกเราคือบูชาพระสงฆ์ด้วยบูชาพระตรนตรายอย่างนี้แล้วก็อูทิศส่วนบุญนี้ไปให้กับผู้มีพระคุณของเราผู้มีพระคุณในแง่ส่วนรวมคือในแง่ของชาติบ้านเมืองก็อดีตพระมหากษัตริย์ของเราทุทกๆพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้นที่รักษา แผ่นดินรักษาพระศ า, าสนาเอาไว้ให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยรวมทั้งได้มีพระศาสนาให้เราได้ศึกษาด้วยอุทิศให้กับปร ะ, ประหากษัตริย์ในอดีตแล้วก็อุทิศให้กับประหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของเราด้วยให้ท่านได้มีบุญบา ร, รมีที่จะสืบทอดปณิธานของกษัตริย์ในตั้งแต่สมัยบรรพกาลรวมทั้งสืบทอดปณิธานของ พระราชบิดาของพระองค์ด้วยอุทิศให้กับพื่มยิบกุลส่วนตัวของแต่ละคนให้กับให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุ ร, รุษของเราทุกๆคนที่มีพระคุณกับเราให้กับจมเจ้ากรอนในเวรที่เราเคยล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจให้ท่านหล่อนนั้นได้มาอนุโมทนาบุญคลายจากความอาฆาตกิจบาปต่างๆมุ่งดีกลายเป็นเป็นมุ่งดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันแล้ว คนที่เคยล่วงเกินเราเคยล่วงเกินด้วยกายบ้างด้วยใจบ้างด้วยวาจาบ้างเราก็จะขอใช้โอกาสนี้ที่จะให้อภัยกับบุคคลเหล่านั้นเหมือนกับที่เราต้องการให้เจ้ากรรมในเวรของเราให้อภัยกับเราไม่ขอเป็นเจ้ากรรมในเวรของใครปฏิทินกับเราเทวดาที่ปก ร, รักษาสถานที่แห่งนี้ ปกปักรักษาศาสนาปกลกปกปรักษาประเทศชาติด้วยอุทิศให้กับเหล่าโอปปปาติกะที่เสเวยวิบากของตัวเองอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านทราบข่าวบุญอันนี้หรือถ้าไม่ทราบก็ฝากเทวดาเพื่อมีศักด์ดาใหญ่ๆเช่นพระแม่ธรณีไปบอกข่าวบุญให้กับหมู่ญาติของเราหรือกับโอปปาติกะทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ให้มาอนมตนาบุญ ที่เราพร้อมใจกันอุทิศให้ในขณะนี้เวลานี้เมื่ออุดอนุมัตนาแล้วก็จงเปลี่ยนภบเปลี่ยนภูมิไปสู่สุขติเราทําบุญได้มีความเพื่มใจปิติใจอย่างไรขอให้ท่านได้มีความเพื่มใจปิติใจด้วยกันเช่นนั้นด้วยแล้วก็รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายด้วยการสมาทานศีลหเพื่อเป็นเครื่องรักษาให้ไม่ตกมาที่ชั่วอีก อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณสัตว์ใดมีทุกข์ข้อยพ้นทุกสัตว์ใดมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจที่จะศึกษาถ้อยคําของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงเพื่อความพ้นทุกข์ในการตัวตั้นทุกคนตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปเรนติสากรังเอวเมวอิโตตินังเปตาณังอุปการปติ อจิตังปฏิตังตุมหังเกะเมวสัมมิจโตสาบเถปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพโรโกพินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีที่ายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจจังวุทธาปจายิโน จตาโรโหธรร ม, มาวาทันติอายุวโนสุขังพลัง